Uthan <laughs> sar. สร้างบารมีเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ต้องสร้างบารมีรวยไม่รวยก็ต้องสร้างบารมีโง่หรือฉลาดก็ต้องสร้างบารมีเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ <c oughs> ได้สร้างบารมีมาไม่น้อย เริ่มตั้งแต่พระองค์ท่านตกต่ำถึงขั้นว่าตกนรกก็มีจนเกิดในภูมิพพน้อยใหญ่ทั้งเป็นสัตว์และเป็นมนุษย์ก็มี ทั้งเป็นดาบทหรือสีบำเพ็ญอยู่ในปากเขาลำเนาไพรก็มีเจริญเป็นรูกเศรษฐีคฤรุหวดีก็มีแม้แต่เป็นองค์ชายเป็นพระราชาในหลายภพชาติก็มีแต่ในที่สุด มาจบที่สัพพัญยุตยญาตรู้สประสิ่งทั้งหลายในโลกแล้วพระองค์ก็ละโลกนี้อันเป็นความเกิดทั้งหมดธรรมะก็อยากได้จังเลยคำนี้ แต่ใช้คำว่าอยากได้ใช่จะได้ต้องเพียรภาวนาปฏิบัติรักษาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจนสุดท้ายรักษาธรรมแม้ด้วยชีวิตยิ่งว่ารักษาทรัพย์ ภายนอกทั้งหมดเลยสุดยอดใครที่รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตนั่นคือยอดแห่งอริยรัพ์อันสูงสุดจนถึงขั้นโลกุตระจิตอาจามาไม่แปลกใจและโยมเอ้ย ดอกบัวเวลาบานเพราะมันได้ถูกแสงยามเช้ากรีบนบิบานสพรั่งมันเหมือนคนที่เบิกบานมีแสงสว่างเป็นอิสระแม้ใบจะ ร่วงโรยก็ตามกลีบจะร่วงหล่นก็ดีเขาไม่ได้ยึดลำต้นไม่ได้ยึดรากไม่ได้ยึดอะไรทั้งหมดแม้แต่เกสรมันเป็นความเกิดปรากฏแล้วก็ดับสุดจะหักเยอะหยุดฉุดเอาไว้ พอเข้าถึงจุดนี้แล้วคำว่าสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็ดีความสงัดของผู้สันโดษมีธรรมปรากฏก็ตามความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็ดีทุกอย่างเริ่ม เป็นปกติและธรรมชาติพอพูดถึงธรรมชาติครั้งหนึ่งอาตมาก็ได้ดื่มด่ำกับสิ่งนี้ไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งไม่ว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ว่าจังหวัดจันทบุรีและอีกหลายหลายแห่งคำว่าใจที่เป็นความสุขโยมอย่าเข้าใจว่าต้องเกิดจากกา ม, มารมกรมมาคุณกามมากิเลสกรมมาตัตนากรมมาราคะเปล่า มันต้องอยู่เหนือกว่าสิ่งนั้นไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสิ่งนี้เกิดจากคําว่าสุขจากมโนธรรมสุขจากจิตภายในจิตสุขจาก ความสงบวิเวกสุขจากใจที่น้อมไปสู่ชีวิตที่ไม่มีเวรบอกโอ้โหเวลาปฏิบัติมันเป็นสมบัติภูมิจิตของคนนั้นถ้าใครได้สัมผัสลิ้มรส ก็จะประจักษ์ชัดศรัท ธ, ธาที่บอกไม่ตั้งมันยิ่งกว่าตั้งมั่นใช้อีศรัท ธ, ธาเนี่ยผู้ภาวนาอยาเข้าใจว่ามันอยู่เท่าเดิมนะเปล่าศรัท ธ, ธาสำหรับจิตของพระอระหันต์ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรม เนื้อคำบรรยายพอไหมเออใช่ว่าเนื้อคำบรรยายก็ไม่มีคำใดใดที่จะมาอ้างพูดให้จบลงได้จึงใช้ว่าเนื้อคำบรรยายมีแต่การแสดงถึงความเคารพความปลื้มปรีติความอิ่มเ อ, อิบอิ่มใจ เหมือนชีวิตเกิดมาชาตินี้สมหวังไม่ใหญ่แหววเกิดมาสมหวังผิดหวังอย่างอื่นทำมาว่ามันเป็นเรื่องปกติของสัตว์มนุษย์น้อยใหญ่แต่ถ้าใครผิดหวังกับธรรมะ คนนั้นคือคนสิ้นหวังแล้วใครสิ้นหวังจากสิ่งอื่นยังมีหวังเหมือนในสูตรหนึ่งที่พระผู้ใหเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนบุคคลผู้เสื่อมจากยศจากลาภจากญาติจากมิตรยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้เสื่อมโดยแท้ แต่บุคคลเป็นผู้เสื่อมด้วยปัญญานั่นคือผู้เสื่อมโดยแท้แต่มาฟังโอ้โ ห, โหพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้ไม่ใช่คำเล็กน้อยนะแสดงว่าใครจะสูญเสียอะไรทั้งหมดก็ตาม แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดอุทกภัยอะไรก็ตามแต่มนุษย์ยังต้องมีที่พึ่งโยอมอย่านึกว่าคนจะตายคนใกล้ตายหรือคนตายไม่ต้องมีที่พึ่งเข้าใจผิดแล้วเป็นก็ดีจะตายอยู่ก็ตามตายแล้วก็ดี ต้องมีที่พึ่งทั้งนั้นขนาดพระบุตธเจ้าอยู่ยอดคนแล้วนะยังต้องะระลึกว่าเราควรเคารพควระระลึกหรือควรพึ่งอะไรในที่สุดไม่มีมนุษย์สัตว์ใดที่พระองค์จะพึ่งได้ยกเว้นเสียแต่ พึ่งธรรเท่านั้นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพึ่งทําพระธรรมเป็นที่เพึ่งในที่สุดพระพุทธเจ้าก็กราบทธรรมะเคารพธรรมะ สรรเสริญเพียงคําว่าธรรมเท่านั้นไม่ได้สรรเสริญตัวตนบุคคลหรือวัตถุสิ่งของหรือกามกิเลสทั้งหมดเพราะสิ่งนั้นไม่พ้นทุกเรามาละลึกดูคํานี้เพราะสิ่งนั้นไม่พ้นทุกมีไหมใคร ที่มีที่พึ่งชนิดที่ดับทุกข์ได้จริงๆแต่มาไม่เห็นแต่มาไม่เห็นเห็นแต่พระพุทธเจ้าถามว่าแสวงหาอะไรพระองค์แสวงหาจิตตวิญญาณแสวงไปทำไมพระเจ้าค่ะ สแสวงเพื่อหาหนทางแห่งความพรัสรูตััสรุอะไรตััสรุสัจจะชีวิตที่เป็นสั จ, จธรรมคำนี้ต่มายอมรับนะสัจจะสัจจะชีวิตที่เป็นสั จ, จธรรมหนึ่งไม่มีกำวมาสอง คำนี้ไม่มีคำว่าคำไหนมาแทนที่หรือเปลี่ยนมันได้ว่าวันนี้อย่างพรุ่ง น, นี้ไม่ใช่นะอีกวันหนึ่งเออใช่อีกวันหนึ่ ง, ออน ห, นงหรือไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าขัดโตเป็นเช่นนั้นตถาตาเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้ามีนาม ว, ว่าพระตถาคต เช่นนี้เช่นนี้เองที่บอกเออเช่นนี้เองความจริงเป็นเช่นนี้วันนี้ศรัทธาตั้งมั่นแล้วหรื อ, อยังยังสันคลอนไหมมีสิ่งใดที่เหนือกว่าจิตวิญญาณตนนี้ต้องระลึกรหว่างคุณธรรมกับวัตถุธรรม อะไรสำคัญกว่ากันในที่สุดแตมาใช้ว่าในที่สุดโยมจะเลือกแล้วถ้ายังไม่ที่สุดยังสับสนอยู่ยังต้องใช้ทั้งคู่แต่พอถึงเวลาเขาเรียกว่าเหลือหนึ่งเดียว จิตนี้จะท่องเที่ยวหรือจะยุติแต่มานางดูจิตอยากรวยมาทั้งชีวิตอยากเป็นมาทั้งชีวิตพอถึงบทหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่อยากรวยไม่ใช่ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนียากแต่พอใช้วิจนาญา มีธรรมวิจยสตา์สองเข้าไปในธรรมพินิษพิจารณาธรรมใช้โยนิโสเข้าไปด้วย mm hmm. เราตัง้งกิตยังไงเด mm hmm. ลิรกรู้ยังไงภายในของเรา mm hmm. สุดท้ายคำตอบชีวิต เราต้องการปัญญาเพื่อนำพาจิตเราต้องการชีวิตต่อสู้เพื่อความผลทุกข์ไม่เห็นใครพูดเกินกว่านี้เลยที่พูดคำว่า ส, สุขก็เพื่อจะผลทุก เพื่อจะหนีทุกเพื่อไม่ต้องการทุกขมนุษย์ไม่เก่งกว่าคำนี้แม้ผู้บรรลุคุณธรรมแล้วก็ยังใช้คำว่าความพ้นทุกนั่นแหละคือความสุขอันแท้จริง ต้องมีคําว่าความพ้นทุกก่อนแล้วจึงมีคําว่าสุขอันแท้จริง ต, ตามมาถ้าตราบใดจิตนี้ยังไม่ถึงคําว่าความพ้นทุกสุขนั้นยังไม่จริงเสียแซงไปวันวันหนึง่งอ้าโยมอาจะมาพูดหนักหรือคําว่าเสแยแงไปวันวัน่พวกเราเป็นนักแสดงเปลี่ยนบทได้วันไม่รู้กี่บท มันเคยนิ่งไม่ละจิตดวงนี้เปล่ามันซุกสนอยู่ตลรรอดจิตมันกระสับกระส่ายอยู่ตลอดจนกว่าวันหนึ่งหาหนทางสู่ความดับทุกข์จึงทำให้ศรัทธาตั้งมั่นเลยอยาก สุขาสัทธาปฏิทิตาตั้งอะอย่างสัทธาก็เป็นทั้งรับเป็นอริยรับบางคนเกิดมาไม่มีสัทธามีแต่นินทา ไม่เคยคิดดีให้คนอื่นมีแต่คิดร้ายให้คนอื่นไม่เคยอยากให้ใครเจริญกว่าคิดแต่จะให้ตัวเองเจริญกว่าใครบอกเออชีวิตแบบนี้ทำเหมือนจะไม่ตายนะตายจำได้ไหมที่มาบอก พวกเราไม่ได้เอาร่างกายนี้ไปแต่นําบุญกุศลไปก็บอกว่ายดลาบหาไปไม่ได้ทิ้งไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลเหลือก็แต่นี่แลบุญกุศลทุกอย่างในที่สุด แล้วเป็นแค่สัตว์โลกผู้มาเวียนเกิดเวียนตายยังไม่เข้าใจอีกถ้าไม่เข้าใจเกิดมาทำไมได้จะร้องเพลงให้ฟังด้ไหมเกิดมามีเวนีนมีกรรม เมื่อไรจะตายสทีเกิดมามีเวรมีกรรมเมื่อไรจะตายเสทีร้องเป็นอยู่แค่เนี้ฟังอีกไหมเกิดมามีเวรมีกรรมเดี๋ยวโยมก็จำได้ว่าทุกข์มากๆกับร้องเกิดมามีเวรมีกรรมเมื่อไรกูจะตายสทีถึงเวลาหนึ่ง บางคนนึกว่าความตายนั่นแหละคือความพ้นทุกข์เชื่อไหมล่ะทำไมงั้นคนไม่กาดตัวตายหรอกแต่เข้าใจผิดใหญ่โตมโหฬารเลยคุณกำลังเข้าใจผิดชีวิตตายนะ่มันใช่แต่อยากตายแนละไม่ใช่ตายทุกคนและใช่ แต่ตอนนี้ยังไม่ตายก็ต้องอยู่อย่าเอาความอยากมาสนองตันหาตัวเองอย่าคิดหรือว่ากว่าเราจะได้อัตรภาพความเป็นมนุษย์มันง่ายนะักหรือทางง่ายนะักไม่เกิดเป็นหมูหรอกโยม เป็นวัวเป็นควายเป็นมมเป็นหมาเขาเวียนอยู่ในความช้ายอยู่ในภูมิพบน้อยใหญ่เท่าไหร่โยมาอาจจะมาเวลาไปสวนสัตว์ทีก็ได้ธรรมะทุกครั้งถูกจองจับอิสระไม่มี แต่นึกอีกทีก็ดีอย่างน้อยไม่ต้องไปล่าสัตว์ตัดชีวิตของที่เอามาให้ก็ล้วนแต่ของที่ตายแล้วทั้งหมดและไม่ต้องไปทําลายกันแต่อิสระไม่มีถูกขังเหี่ยวแห้งตายพอนาะมาถึงตัวเราบอเอ้ยชีวิตเรามันช่างมีสุขเนอสุขหนอ สุขที่ได้อิสระพ้นจากเครื่องพันธนาการทางร่างกายและเราก็กำลังสลัดเครื่องพันธนาการทางจิตวิญญาณเอ้าโยมตาจะใสขึ้นนะไม่ได้พุ่นเล่นพอจิตวิญญาณมันได้รับแสงสว่างอิสระ หรือทุกเบาบางดน่ดวงตามันจะเริ่มมีวาวมีความใสไม่คุณและไม่เมื่อยลอยชีวิตหลายชีวิตกำลังเมื่อยลอยถามว่าคอยใครหรือไม่มันไม่ได้คลอยใครแต่ใจนั้นกำลังล่องลอย สติสัชัญญะไม่เต็มร้อยไม่เต็มจึงบอกเกิดมาในภูมิหนึ่งทำไมไม่ใช้สติให้เต็มกำลังทำไมไม่หัดพิจารณาธรรมให้เกิดความรู้แจ้งจิตทำไมไม่ใช้ชีวิต เข้าถึงสัจธรรมจะสุขจะทุกข์ยาววันไหวยาววันไหวอาจมาบอกทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์วันเวลาการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับคนคนนั้นตั้งแต่เด็กจนถึง ชีวิตสุดท้ายว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งใดที่เขาเลือกโง่หรือฉลาดตัดสินกันตรงนั้นอยากเข้าใจว่าความสำเร็จตัดสินกันที่วัตถุเพชรเม็ดไหนใหญ่กว่าอยู่ในนิ้วของใครคนนั้นชนะบอกไม่ใช่ไม่ใช่มใชสมบัติ ผัดกันชมสมบัติผลัดกันชมเปลี่ยนมือมากี่ครั้งและยมรู้ไม่ mm hmm. เพชรเม็ดที่ใสอยู่ที่ดินแปลงที่เราอยู่ตอนเนี้ยเปลี่ยนไปกี่เจ้าของแล้วชนดใบนี้หรือนอชทสามหรือชคอหรือพอทบ อ, อะไรกันแล้วแต่พอบอทก็แล้วแต่ อย่าไปทึกทักว่านี่เป็นครั้งแรกเพึ่งเปิดบริสุทธิ์กับเราบอกอย่าเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็อย่าทึกทักมากเกินว่านี่คือของเรานิลันดอนบอกเลิกไอ้นิลันดอนนิลันการนิสัยเสีย พอยึดติดขึ้นมาก็จะมีความยึดติดเพราะอะไรมันไม่เที่ยงขึ้นมาชักอยู่กับที่ปรับสภาพไม่ทันลมหายใจสูดลมไม่ทันชักอยู่กับที่ความดันก็ขึ้นเบาหวานก็มาอะไรก็ไม่รู้เด๋ยวแถมให้ไตกรีสลายอีกหน่อยนะทำไมต้องมั่นหมายกับชีวิต เกินจากความเป็นจริงที่มันมีความเกิดดับอาจจะมามองอยู่ตอนนี้ใจท่องไว้อย่างว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่จากเราไปแม้สุขและทุกข์ก็ไม่เที่ยงแม้ทุกอย่างที่เห็นจับต้องอยู่ก็ไม่เที่ยงแม้อาหารเคี้ยวอยู่ก็ไม่เที่ยง ดื่มอาบขับถ่ายมันเป็นเพลงอยู่แล้วดื่มอาบขับถ่ายโยกย้ายย้ายไปย้ายมาข้างซ้ายไม่รู้กขให้อัดอัลบัม้มรอเปล่ามันมีความเปลี่ยนตำแหน่งมีการเปลี่ยนที่มีการเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงอาตมาบอก ต่อจากนี้ไปเจอใครก็ให้ระลึกว่าต้องจากกันไม่ได้แช่งนะจิตมันรู้พบกันทีไรที่สุดก็ต้องแยกย้ายจากกันมันเป็นสัจธรรมชีวิตอาจจะไม่ใช่ชั่วโมงนี้อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่วันหนึ่ง ถามจริงใครที่ไม่จากเราไม่มีแล้วก็ถามอีกครั้งเราที่ไม่จากใครมีไหมโถทํถา ม, มานั่งดูตั้งแต่สถานที่ละบ้านเกิดเมืองนอนอุทธรที่เคยอยู่กับแม่แม่ก็จากเราเราก็จากแม่ พี่ก็จากเราเราก็จากพี่น้องก็จากเราเราก็จากน้องนั่นบุคคลสถานที่ที่เคยอยู่เคยดื่มเคยอาบเคยกินบ่อเนี่ยเลี้ยงชีดของเราให้โตมาแต่เราก็ต้องจากวันหนึ่งบ้านหลังนี้ที่เป็นชายคาที่เราซุขหัวนอนอยู่ บ้านเลขที่ก็เปลี่ยนถนนก็เปลี่ยนตัวอาคารก็เปลี่ยนเราก็จากบุคคลและสถานที่มาแล้วพร้อมกับเวลานั้นเราได้ใช้มันไปแล้ววันเวลาสถานที่และบุคคล เราไม่จำเป็นต้องยึดกับมันเพียงแต่ใช้แบบไหนที่เป็นธรรมชีวิหรือเป็นความทุกข์ที่เราไม่รู้จักธรรมชีวิตสุดท้ายโยมย้ายมาอยู่ที่ไหนหรือมาซื้อบ้านหลังไหนหรือเช่าบ้านหลังไหนหลังไหนหรืออาศัยอยู่ที่ไหน มาไม่ต้องไปรู้ก็ได้ตรงนั้นแต่ให้โยมรู้ว่าเรายังต้องเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนเสื้อผ้าที่ใส่ไม่รู้ชุดไหนต่อชุดไหนและจำได้ทุกชุดหรือเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ร้อยชุดแล้วรองเท้าสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟัน ไม่กวาดทั้งหมดเราจับต้องใช้อยู่ดื่มอาบเคี้ยวกินมันเคยหยุดนิ่งกับใครบ้างแต่มานั่งกำหนดมันสอนไปทีละยะทีละยงทีละยงจนถึงพิจารณาเส้นผมขนเล็บฟันดังเนื้อเอ็นน้อยใหญ่กระดูกที่มีอยู่ในร่าง ประชุมกันโดยเอาธาตุสี่เป็นกองรูปและอาศัยอยู่ด้วยขันห้ารูปเบทานาสัญญาสังขารบิญญาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแท้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเป็นสมมติสัจจะว่าเป็นเรา แล้วสุดท้ายสิ่งนี้ก็ค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนจนถึงความแก่เจ็บสุดท้ายเขาให้เราต้องตายไม่ตายไม่ได้ต้องตายโยมเสียใจไหมเกิดมาแล้วต้องตายอาตมาก็ถามว่า ตายมันตายแต่ตายแบบไหนที่น่าภูมิใจกับน่าเสียใจหรือตายแบบเฉยๆไม่มีรสชาติถึงเวลาให้เลือกหนึ่งตายแบบมีความสุขสองตายแบบมีความทุกข์ขมขื่นใจสามตายแบบเฉยๆปะ๊ะมีให้เลือกสามชอย ทุกคนก็บอกตายอย่างมีความสุขถูกหมควาสุขของโยมไปทางไหนสุขออมตะมาตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปอีกเลี้ยวทั้งซ้ายทั้งขวาปะเลี้ยวพร้อมกันไม่ได้เออก็เลี้ยวทีละครั้งแล้วกันเสร็จแล้วก็หยุดม่วจังเลย นี่มันเป็นเส้นทางชีวิตมันไม่มีสายตรงหรอกโดนหลอกตั้งเลยคิดอะไรมันก็คิดได้แต่จริงๆมันก็แค่คิดถึงบอกระวังความคิดระวังจิตใจระวังพุทธิกา ที่เรากำลังทำสิ่งใดอยู่ระวังก็ต้องเติมว่ามาใช้สติปัญญานำพาชีวิตสุดท้ายธรรมามาสรุปว่าชีวิตมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่คือการเดินทางอยากเข้าใจว่าเราหยุดนิ่งอยู่ใครเข้าใจแบบนี้ผิดให้นอนอยู่ในบ้าน ก็กาลังเดินทางขับรถอยู่ก็กําลังเดินทางชีวิตพวกเราคือนักเดินทางถามจริงก่อนจากเป็นมนุษย์มาจากภูมิไหนเกิดที่ไหนตอนนี้อยู่ไหนแล้วจะไปไหน สังเกตดูว่าเราจะเดินทางเราจะถามอยูว่าที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยมันมีแต่ว่าที่ไหนก็คือเรากาลังเดินทางอยู่พบหนึ่งสู่พบหนึ่งที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งสิ้นสุดตรงไหนคำตอบสุดท้ายเหมือนกันเดินทางสิ้นสุดที่ไหนอ๋อ หัวลำโพงเออบางคนบอกสิ้นสุดแต่บางคนบอกนี่คือจุดเริ่มต้นบางคนเพิ่งเริ่มบางคนจบโยมกำลังเริ่มหรือจบการเดินทางจยมม่จิตของพวกเราหยุดแล้วละ จตมาไม่เชื่อไม่เชื่อสำหรับมนุษย์ที่มีกิเลสอยู่อัตมาจะเชื่อจิตที่หลุดพ้นกิเลสท่านหยุดเดินทางในวัฏทะทุกวัฏสงสารท่านจะไม่วกไม่วนและไม่เวียนอีกแล้วสามบอ น, นี้ถือว่าสิ้นสุดลง วกวนเวียนสิ้นสุดลงแล้วแต่จะสิ้นสุดยุติหรือไม่จิตนี้จะรู้ไม่ใช่สมองรู้จิตนี้คือตัวรู้ในที่สุดแห่งการอาวสานใช้คาว่าจิตคือผู้รู้ ไม่ใช่สมองมาถูกรู้ฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาบางทีอาตมาก็ว่ามันไม่รู้สิ้นสุดยังไงเหมือนเทาวันที่ผูกรัดเราไว้เต็มไปหมด แล้วขณะที่เดินหลงผายอยู่รู้สึกอย่างนั้นแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนเรายืนบนที่สูงมองรอบมีแต่ความเป็นอิสระว่างเปล่า ไม่มีนิมิตแห่งความยึดติดเลยไม่ว่าสิ่งนั้นที่เราใช้มาแล้วทั้งหมดกำไรหรือขาดทุนหรือเท่าทุนก็ตามแต่ที่รู้คือเราได้ใช้มันมาแล้วสิ่งที่เหลือก็คือคำว่าปัญญาอันรู้ว่าสัจธรรมแท้จริงคืออะไร วิมุตติสุขนั้นคืออะไรใช้คำว่าจิตรู้ไม่มากกว่านี้ครั้งหนึ่งเรามาจำได้สุดมีพิสุอึดอัดและปฏิบัติทั้งทางวิในทั้งด้านอภิธรรมจนศึกษาไม่ไหวแล้วไม่อิสระเลย สุดท้ายก็ทูลต่อพระพุทธเจ้าว่าขอศึกแล้วไม่ไหวแล้วก่อนนั้นยังมีความสุขมีอิสระบัดนี้ตั้งแต่บวชมาอิสระไม่มีเลยในจวีไในในจาระธมไม่มีเวลาเลยพระเจ้าค่ะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วพระเจ้าค่ะผิดไปหมดเลยอึดอัดไม่อิสระ พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพิสุพระเจ้าค่ะเธอรักษาจิตดวงเดียวได้ไหมทั้งให้รักษาจิตอย่างเดียวรักษาได้พระเจ้าค่ะดีแล้วเธอจงรักษาจิตเธออย่าสึกเลย จง ร, จรักษาจิตเท่านั้นเลยโยรักษาจิตเท่านั้นรู้ที่จิตเกิดดับที่จิตกิเลสน้อยใหญ่สุขทุกน้อยใหญ่ล้วนเกิดจิตทั้งหมดไม่ใด่เกิดที่ผิวหนังหรือเกิดที่เส้นผมเส้นขนเล็บฟันหนังไม่ใช่แม้สมาธิก็ไม่ใช่เกิดที่ ผิวหนังหรือกระดูกข้อใดข้อหนึ่งเออเข้าใจแล้วถ้าอย่างนี้เอาไปได้ไปได้สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยุ่ในโลกสติโลกัสงชาคโรูรู้แล้วเข้าใจพอเข้าใจเสร็จ วันนี้โยมเจริญสติรักษาอะไรรักษาจิตเจริญสติรักษาสีนักษาอย่างไรมีกายกับวาจารักษาจิตให้มั่นตั้งอย่างไรตั้งอยู่ด้วยองค์สมาธิทำยังไงให้เกิดสมาธิทำจิตให้เป็นหนึ่ง วิธีไหนก็ได้นับหนึ่งถึงล้านก็ได้รูปแบบไม่ใช่สำคัญแต่ผลลัพธ์ทำได้ไหมคุณจะขุดน้ำด้วยจอบด้วยเสียมด้วยแบบวิธีไหนแตมาไม่เกี่ยงแต่ถามว่าชาวประมงจับปลาได้ไหม แมวตัวนี้จับหนูได้ไหมถ้าจับได้สำเร็จพูดเยเยอะเครื่องมืออย่างดีจับปลาไม่ได้แมวจับหนูไม่ได้มีแต่ลีลามีแต่ท่วงท่าสุดท้ายประโยชน์และเก่นแท้ ไม่เกิดฉะนั้นผู้ภาวนาจำไม่ค่อยนักอย่าติดรูปแบบปัญญาแท้จริงไรรูปแบบจะแก้เหตุรู้ผลไปตามเหตุผลนั้นจึงเรียกว่าปัญญาไม่งั้นเรียกว่าจำกันมาแต่วันนี้จะมาไม่ค่อยจำอะไรนะ แต่ไม่ใช่เสียสตินะไม่ค่อยจำฟังฟังเสร็จอือเตือนด้วยนะไม่ค่อยอยากจำชอบของจริงตอนนี้มันได้อัดทรสดบอกไม่ถูกมันเขียนว่าปลูกอ้อยแตก่กับเรากำลังเคียวอ้อยเนี่ยมันได้น้ำหวานกว่ากันเยอะเลย แต่เรื่องที่เป็นหน้าที่การงานเราจะจำแต่เรื่องที่มันฟังแบบอิเลเคค่ะไม่ไม่สนเลยแล้วก็มันกับฟังหูขวาแล้วก็มันออกไปทางซ้ายทอนไหนก็ไม่รู้มันไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นแก่นสารฟังกับไม่ฟังขาเท่ากันดีไม่ดีไม่ฟังดีกว่าซะอีกเพราะอะไรรู้ไห เราไม่เสียเวลาเพราะมันลงไปรับรู้ในเรื่องที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์เลยโยมยังชอบฟังคนนินทาไหมอุมมันอย่างนี้เลยโยมอมมันแบบชุดๆเลยฟังไปฟังมาลำลอยไหลขอข อ, ขอใส่ด้วยใส่ไข่ห้ืไงใส่สี รู้ไหมว่านั่นไม่ใช่นิสัยของปราดบัณฑิตโอ้ยยิ่งแ บ, บลนซ่ า, าผมนะัือข้อมูลอยู่ที่นั่นเยอะนะร้านเสริมสวยขึ้นรถแท็กซี่เนี่ยโอ้โหข้อมูลเยอะพูดมันรู้นะ่นีองโอ้ใครมาก็นั่งเราแท็กซี่ก็ฟางเก็บข้อมูลจนสมองบวมไปซี่กนแล้วนะเพราะ คนนั่งมาก็ลำบายให้บ้างให้มันแฟบลงหน่อยนะคนนี้ขึ้นอีกมีเรื่องใหม่มาอีกรับอีกคนนี้ลงนั่งเงียบเอาแท็กซี่ก่ไลฟังแล้วทำผมกันบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องซ้ำมีก็กันนั้นก็สะผมไม่เลื่อยนะตัดไปเรื่อยมันเรื่องชาวบ้านทั้งหมดเลยเล็ดถามว่ามันเกี่ยวอะไรไหม บางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์สาระเออถ้าฟังเป็นเรื่องข่าวสารบ้านเมืองบางเรื่องมันก็น่าฟังแต่ถ้าไปฟังเรื่องดินทากาเล่บรรเทน้ําทําไมไม่นินทาตัวยไงเพื่อนก็ฟังบ้างแน่จริงแบบแหมคนจริงพูดไปที่นึกหรือว่าดีร้อยไม่เชื่อนินทาคนอื่นได้ ที่เรื่องตัวเองไม่พูดถูกกับบ่าวโยมอย่าไปเสียเวลากับบางเรื่องโดยเฉพาะการให้ร้ายผู้อื่นโยมถามจริงรู้วิบากกรรมของแต่ละคนไหม พระพุทธเจ้าไม่เคยซ้ำเติมสัตว์แม้แต่น้อยพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ชี้ทางสว่างบอกขนทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่เคยไปเปิดแผ่ให้กว้างขึ้นไม่เคยไปซ้ำเติมคนที่ผิดพลาดมาแล้วจะมาเห็นข้อ น, นี้ ธรรมะไม่เคยซ้ำเติมใครไม่เปิดแพ้ใครให้กว้างขึ้นสัตว์โลกล้วนมีกรรมวิบากโ น, นเนียพัวพันกันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเราไม่รู้ลึกตื้นหนาบ้างโยโย่ดันมาพูดปัจจุบันลอยลอยขึ้นมารู้ไม่ว่าต้นนี้มันเกิดจากรากมันมาจากไหนไม่รู้ดันมาพูดกลายเป็นคนถูกเป็นผิดคนผิดเป็นถูกหรือไม่รู้ว่าผิดถูกคือใครแล้วก็พูดไป มันกําไรตรงไหนใช่ไหมจะมาบอกคนฉล า, าดทำไมไม่นิ่งเสียฟังอย่างมีสติแล้วจะกําไรไม่เอานะชอบนินทาให้ร้ายคนนั่นคนนี้โผูชีวิตนักภาวนาพูดออกมานี่ปากเน่าทั้งหมดเลย นอนยั่วเยี่ยไปหมดทำไมไม่พูดแบบพี่กุทองลอยออกมาหอมฟุ้งไปหมดทำไมไม่ยกย่องสรรเสริญคนนั้นคนนี้นนนดีคนนั้นดีคนนั้นดีโอบางคนนี่มีข้อมูลเร็วๆเยอะนะแปลกพูดไปแล้วเนี่ยจะมารู้จักพระอยู่องค์หนึ่งแต่ไม่เอ่ยชื่อหลายปีแล้วล่ะ องนี้ท่านมีเวรอะไรไม่รู้ท่านรู้แต่เรื่องร้ายๆเรื่องเลวๆเรื่องไม่ดีทั้งหมดทั้งประเทศท่านรู้จักหมดพระทุงไหนไอต ม, มานั่งมองท่านชักสงสัยว่าแล้วท่านปฏิบัติธรรมตรงไหนวะเนี่ยแล้วทําไมมันรู้ไปหมดวะเนี่ยแล้วไม่เคยรู้เรื่องดีเลย มันเข้ากันโดยธาตุนันน่ะดูไปดูมาท่านก็ไม่เท้อใจหรอกพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะบุคคลเข้ากันโดยธาตุนะน้ำมันมันเข้ากับน้ำมันใช่ไหมเอาน้ำไปใส่ไม่ได้นะลอยให้เห็นเลยนะ่ะแยกกันนะปลรอดก็เข้ากับปลรอดนะโยเอาน้ำเอาน้ำมันไปนใส่แยกให้เห็นเลย ทองก็คือทองโยบเอาอะไรไปผสมมันก็แยกออกมานะเข้ากันโดยถ้าดมบอกท่านปฏิบัติจริงหรือเปล่าแต่ดูรูปภายนอกเหมือนใช่นะ่ะเหมือนใช่แต่พอถ่ายทอดภายในออกมาใจเน่าหมดเลยดมบอกเออถ้าเราไม่เอาสติพิจารณาเราก็ไม่รู้บุคคล น, นี้ ทำไมจึงมีจิตใจที่รู้แต่เรื่องนินทาได้ทั้งวันแต่มาบอกไม่เป็นมงคลเลยคนนี้ไม่เอาแล้วก็รู้อีกเรื่องนั่นเรื่องที่จะมาบอกไม่ใช่ไม่ใช่นักปฏิบัติทําไมไม่พูดเรื่องกุศล ทำไมไม่สรนเสริญถึงเหล่าพระอริยะสันเสริญคุณพระธรรมสันเสริญคุณพระพุทธเจ้าสันเสริญผู้มีศีลมีธรรมสันเสริญผู้มีใจเป็นบุญกุศลทำไมจิตจึงตกต่ำท่านเล่าบอกถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ใครเป็นพระอมพระมาพูดก็ไม่เป็นพระอยู่ไม่เพีน เป็นพระเพลิงอยู่ไม่เป็นพระธรรมเลยพลวกเราร้อนไหมไปหมดเลยโยมนั่งฟังอยู่สองวันจิตกลับบ้านนิ้ดไปเลยโอ้โหแม่เออเองไปฟังธรรมบทไหนวะเนี่ยผิดธรรมะต้องรู้คำว่าจิต วันนี้จิตผ่องใสหรือเศร้าหมองเมื่อวันก็พูดวันก่อนก็พูดพูดทุกวันเบื่อไหมบอกไม่เบื่อเป็นหน้าที่ของจิตที่เราต้องดูแลว่าจิตนี้ผ่องใสหรือเศร้าหมองยมต้องรู้นะเริ่มตั้งแต่ตื่นอนตอนเช้างงงงเี้เดินมาห้องน้ําเอาหน่าดูใส่กระจกหน่อย ออรู้ว่าเองเพิ่งตื่นลบหน้าล้างหน้าเราลูบหัวหน่อยให้มันเย็นได้หน่อยหนึ่งเย็นเป็นยังไงฝันร้ายไหมสะดุ้งตื่นตอนดึกไหมนอนนอนมันใครมากระตุกขาหรือเปล่านอนนอนเหมือนฝันว่าจะมีใครมาทําร้ายให้ร้ายหรือเปล่า หรือตื่นมาอารมณ์จิตชอหมองต้องให้รู้จิตตั้งแต่เริ่มตื่นนอนแต่จริงน่ะมาจะรู้ตอนก่อนที่จะตื่นแล้วพอลืมตาก็รู้แล้วตรวจดูจิตก่อนเอาธรรมวิจยะศ า, ศาสตร์สองเข้าไปก่อนว่าจิตของเราอยู่ด้วยอะไรมีทำอะไรเป็นเครื่องอยู่ เมตตาการุณามุริตาหรือเบกขาหรือธรรมปิติหรือสมาธิหรืออยู่ด้วยองค์ศีลหรืออยู่ด้วยกุศลจิตที่มันมีความอิ่มเบิกบานอยู่อะไรก็ได้มันต้องเป็นกุศลารร ม, มาไม่ใช่อกุศลาดูอย่างนี้ทุกวันธรรมะบอกเราไม่ไปนรก จิตนี้ไม่ไปนรกถ้ารักษาได้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเข้านอนในระหว่างก่อนที่นอนแล้วก็มีสติรู้จิตเราทําอย่างนี้นะผ่านเดือนวันปีไปสักปีสองปีสามปีพอห้าปีเป็นขันทะสันดานใหม่ไม่ต้องกลัวเลย มันเป็นนิสัยใหม่ที่เราได้สร้างกุศลขึ้นมาเป็นเกาะป้องกันอกุศลทั้งหมดวิบากกรรมร้ายๆสิ่งเร็วๆทั้งหลายแต่มาเชื่อว่าด้วยเดชบุญนี้ทั้งสิบป่องจะคุ้มครองเรามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจทงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นเนี่ย มาป้องกันหอมล้อมลอกขอบทั่วอนัตตาเราจะเชมาณาเขตเตจะมาเป็นสิ่งที่คุ้มครองป้องกันเราไม่ให้เราพบกับความวิบัติในจิตวิญญาณแล้วอยู่ไปอยู่มาอีกไม่นั้นจะเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆบางคน สว่างด้วยแสงไฟใช่ไหมถ้ามองทางแต่บางคนสว่างด้วยแสงธรรมสองชีวิตมันมากกว่าสองทางเดินนะนี่มันสองชีวิตแล้วคนปฏิบัติจะรู้ว่าธาตุขันของเราเป็นยังไงจิตของเราเป็นยังไงนะมันจะเห็นความเปลี่ยนเมื่อกี้ธรมมาบอกมันมีความเปลี่ยนแปลง แม้การภาวนาปฏิบัติก็เปลี่ยนแปลงภูมิภพของเราก็เปลี่ยนเอาอย่างนั้นจะบอกโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลไม่ได้อยู่กับที่นะสากาคามีมกากสกาคามีผลจนถึงอันตรมักอันตผลไม่ได้หยุดอยู่อย่างนี้กูสลเรายิ่งจเจริญไปเท่าไหร่ จมาบอกรู้แล้วจิตผ่องใสด้วยกุศลใจไม่วกวนด้วยปัญญาสติะระลึกนำพาจิตยกขึ้นสู่ธรรมสัมมาสัมพุท ธ, ธะรัตนทั้งสาวห่อหุ้มอยู่ในใจของเรานั่งยืนเดินนอนถึงไม่เห็นว่านั่งท่าสมาธิจิตยิ่งกว่านั่งสมาธิบอกให้รู้ รัตนคุ้มครองไปที่ไหนก็เป็นนาบุญที่ตรงนั้นนั่งตรงไหนก็มีเทพรักษายมจเห็นหรือไม่สุดแล้วแต่แต่จะมีสิ่งคุ้มครองดูแลรักษาเขาไม่ได้รักษาร่างกายนี้นะอย่างเดียวแต่เขารักษาสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมเกิดจาก คุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระอหรหันตเจ้าหรืออริยสงฆมนุษย์ต้องการสมบัติเทพบุตรเทพระธิดาต้องการบุญกุศลและบารมีเนี่ยผละคนลุกนั่นเน่ยเขาต้องการบารมีเขาต้องการบุญกุศล พอบุญกุศลเกิดเขาสว่างขึ้นพอสว่างขึ้นเขาก็ได้บารมีคือกําลังไม่ตกต่ำพอมีกําลังก็สามารถรับแรงกระแทกกระชันได้มากๆากเขาจึงบอกเป็นบารมีคือฐานแห่งเป็นที่ตั้งของผู้มีบุญฉะนั้ในใครก็ตามที่มีบุญต้องสร้างบารมีก่อน ลำบากลำบนอดทนเพียรขยันพยายามมานาอุตสหาหะทุกอย่างทุ่มเทลงไปก่อนนั่นคือฐานแห่งบารมีทั้งหมดที่พูดนี่ไม่ใช่ง่ายลงทุนครั้งนี้ไม่รู้ว่ากี่เดือนปีหรือภูมิพบกี่ชาติตมามตอบไม่ได้แต่ที่รู้มันเป็นเช่นนี้มันเป็นบันไดบันไดบันไดบันไดบันไดบันไดบันไดเดินไปถึงจนถึงยอดปราสาท แล้วพอขึ้นเสร็จมองลงมาเห็นฝูงชนที่อยู่ข้างล่างไปยินป่ายเข็นฆ่าทะเลาะกันแย่งชิงกันเรารู้สึกอิจนาระอาใจเรารู้ว่าทางนี้เราจะไม่เข้าไปอีกเลยนั่นไม่ใช่ทางจิตที่เราจะไปอีกแล้วเหมือนโยมขึ้นอยู่บนยอดปราสาทมองลงมาเห็นฝูงชนอยู่ข้างล่างยอแย่งกันอยู่ เข่นฆ่ากันอยู่ด้วยเพชรเม็ดหนึ่งด้วยทองชิ้นหนึ่งด้วยเงินจำนวนหนึ่งด้วยที่ฉโนดนึงโอ้โหจนไม่รู้ว่าพี่น้องสายโลหิตทะเลาะกันเข่นฆ่ากันขึ้นโรงขึ้นศาลอาอยาก็ไหมแต่มาบอกเราโชคดี โชคดีเราได้อริยทรัพย์ภายในมากกว่ามีทรัพย์ภายนอกแต่โชคดีกว่านั้นเรามีบริวารที่มีทั้งทรัพย์ภายในภายนอกเกื้ อ, อกูลอุดหนุนคำจุนให้การาศาสนาดำเนินไปได้ดีจึงบอกเออคนเรามันต้องมีทั้งบุญ และมีทั้งกําลังบามีมีทั้งโภคะสมบัติมีให้เพราะทำอะไรก็สำเร็จประโยชน์ได้ง่ายมีแต่สติปัญญาไม่มีโภคะสมบัติมีโภคะสมบัติไม่มีบริวารที่ซื่อสัตย์ไม่ได้มันต้องครบ ไม่อย่างนั้นบันไดมันจะไม่มีที่จะเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแต่ที่สุดธรรมาเชื่อพอใครขึ้นไปถึงจุดสูงสุดมองลงมาเรารู้สึกเหนื่อยเชื่อธารมะรู้สึกเหนื่อย ยิ่งเห็นเขาฆ่ากันแย่งกันทิ้งกันไม่รู้ลูกใครเมีใครไม่รู้สามีใครไม่รู้อะไรเป็นอะไรโอ้โหเบียดเบียนกันแบบนี้เรารู้สึกไม่ต้องการชีวิตแบบนั้นอีกเลยทั้งที่เมื่อก่อนเราก็เคยเป็นเช่นนั้นแต่บัดนี้จิตเรามันสูงขึ้นแล้วอริยมรรคอริยผลเกิดแล้ว โยมไม่เกิดขั้วแน่กับโคลนตุมแต่มาจึงแต่งบทว่าแดนใดยังมืดมิดเหมือนชีวิตติดอยู่ในโคลนตุ่มแดนใดยังมืดมนเหมือนโคลนตุมจมชีวิตมันจะจมพวกเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ ร, ยเรยืสุดท้ายเราก็หมดเวลาในชาติหนึ่งที่เกิดมาเขาหลอกเราดั้งชาติ ในที่สุดเวลาเราหมดไปกับอะไรโยมต้องเอาไปพิจารณาหมดไปกับอะไรองค์พระพุพะทธธรรมพระสงฆ์คุณศีลคุณธรรมหมดไปกับอะไรกามไปคิดเอาแล้วโยมจะรู้ว่า จิตนี้เลือกอะไรที่สุดแห่งจิตวิญญาณเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัวมันเองใส่แซงไม่ได้แกล้งไม่ได้ไม่ใช่ขีดถูกขีดผิดหรือกากบาดแต่มันเป็นสัจจะชีวิตสุดท้ายต้องเลือกคนทางแห่งความพ้นทุกเท่านั้น อาตมาก็เช่นเดียวกันเลือกทางนี้โยกเลือกมาหลายปีแล้วและคิดว่าเลือกมาหลายภพแล้วแต่ยังวนอยู่จุดเทียนก็พอมีแสงสว่างดันไปจุดเทียนแล้วไปเวียนวนอีกโอ้ยขึ้นต้นมันก็ดีนะจุดเทียนเอาเป็นแสงสว่างจุดเทียนแล้วดันมาเวียนวนตอนนี้ไม่วนแล้ว ไม่วนแล้วเข้าบทเลยดีกว่าเนะยมยังวนไหมพอได้แล้วเ อ, อเดอ้อสมควรเวลาก็ขอยุยติการบรรยายแต่เพียงเท่า น, นี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ